น, นี่จะเทศนาเรื่องญาปาาข้อคใครฟังธรรมญาปาาข้อ ม, มันอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่หรอกที่เทศนาธรรมะต่างๆมากมายลวงหลายไปนั่นเป็นก้วงเป็นการก้วงขวางต่อออกไปแต่แท้ทจริงไม่ใช่ก้วงอะไรหรอกไม่ใช่คืนเกล่ ธรรมยาธรรมญาญาปากครอบงัวแก่มันหาลิเลียกินย่ตาปากครอบมันอีนูงัวน่มัวผงพาดันแล่นทุกทุกทุกทุวิ่งหากินต่างคนต่างวิ่งต่างตัวต่างวิ่งหากินไปทั่วชิงกัน เลยไม่ได้กินอิ่มเท่างัวแก่หัวแก่มันเขามันรู้จักมันรู้จักสภาพของตนไปก็เขาก็ไม่ทันแล้วมันหาเลมเดียกินตามยาปราโคอ ม, มันพอใจยินดีกับยาปราโอ่ มันเลยอีมมันเอมกว่าไอ้พวกไปไกลๆนั่นอีกและมันก็มาได้ไปไกลด้วยกินอีนาก็นอนเนี่ยทั้งนั้นลุกขึ้นมาก็หากินอีกต่อไปสบายดีเหมือนกันเนี่ยัวแก่ๆ <c oughs> คนที่ไม่เข้าใจทังเรื่องธรรมะ พอเช่นกมมัมวผรขมงัวหนุ่มวิ่งหาแต่ยาอื่นไกลเข้าใจว่าจะมีในที่อื่นจะมีในที่ไกลจะมีในสถานที่นั้นเพราะเป็นจริงแท้มันมีอยู่ทั่วไปคนวิ่งมาจะอื่นแต่ไกล มาเตวดอนคนแก่ก็มีมาฟังเทศฟังทงรรไกาแส้นกาเข้าใจว่าธรรมอยู่ในวัดนี้มันชื่อจริงธรรมมันวิ่งมากับตัวนะ่ะมันมาหนะักมากับตัวเองมานี่ก็เอาธรร ม, มนะนะั่นแหละมาฟังเทศอยู่โน่นก็เอาธรร ม, มนะอันนั้นฟังธรรมไม่ใช่มานี่เองจะมีธรรมที่โน่นก็มีเหมือนกัน คนมีในที่ใดมีธรรมในที่นั้นคนไม่มีก็ไม่มีธรรมคนมีพระได้จเจ้าประเทศจะนัยคนฟังคนมีจิตมีใจใประเทศจะนายคนมีใจนั้นฟังต้นไม้ภูเขาพระองค์จเจ้ามันดะเทศนาให้ฟัง ฟังมันก็ไม่รู้เรื่องคนเราเนี่ยมีจิตมีใจพระ อ, องค์ยังเทศให้ฟังคนมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในตัวของตนพระ อ, องค์เทศให้รู้จักโลภโลกรธหลงทำมัม้เป็นภยัยจิตใจของตนองค์สอนให้ละ พระ อ, องค์สอนในทิ้งทิ่งไม่ไ ด, ดีพระ อ, องค์ไม่เอาไม่เอาไว้พระ อ, องค์สอนสอนให้รู้จักคนนั่นรู้จักตนของตนเท่านั้นเองสิ่งที่ไม่ไม่ดีไม่งามมันเกิดเกิดในทีนั้นไม่ได้มีในที่อื่อให้ปล่อยให้ทิ้งเสีย อย่าไปซื้อเอามาเป็นตนเป็นตัวคนที่ถือเอาของไม่ดีมามาใส่ตัวของตนมันก็เลยยุ่งใหญ่วุ่นวายใหญ่ตัวของทานพระองค์สอนของมีอยู่ไม่ใช่สอนของไม่มีครั้งไม่มีเนี่ยไม่จ่ายจะเอาอะไรมาสอนเจงว่าพระองค์สอนธรรมะรอยู่ของมีอยู่ พระพุทธเจ้าท่านเทศนาในโลกอันนี้ที่มีโกรธมีโรค ม, มีหลงที่มีรักมีชังอยู่ในโลกอันนี้หรือโลกอื่นก็ช่างโลกในไหนก็ต่างถ้ามีความรักความชังความรักเรียกว่าราคะ ตอนช้างเรียกว่าโกรธโศกโมหะความหลงมมัวเมาประมาททำสามกองนี่เรียกว่าทำปากข้อใช้ยาปากข้อไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกเห็นที่นี้แหละที่ปากข้อนีอ้เห็นที่ตัวของเราเนี่ย ใหเรียกว่าธรรมธรรมะนั่นแหะพระองค์สอนว่าธรรมคือราคะก็เรียกว่าธรร ม, รรมนนนนโทส า, รร า, าก็เรียกว่าธรร ม, โ, รรรรมโมหะก็เรียกว่าธรรมเข้าใจว่าธรรมนั้นลึกซึ้งทุกผมไกลลิกเราไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ธรรมอยู่ไกลจากตัวของเรา หรือถามอยู่โน้นกับครูบาอาจารย์นั่นไม่เข้าใจว่าถามในไรตัวของมันเกิดขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมเกิดขึ้นที่ใดธรรมย่หดับลงในที่นั้นไม่ได้ไปดำในที่อื่น เมื่อเกิดที่นั่กนกระดาษไปที่นั้ น, นมันก็หมดเรื่องกนะันทำเป็นคู่ทำไม่ใช่ของทำที่เป็นคู่เป็นของเดือดร้อนทำเป็นเอกเป็นไปเพื่อความทุกข์ทำอันเดียวเนะี่ยเป็นไปเพื่อความทุกข์ันทำมีคู่แล้วเป็นเป็นทุกข์ในโลกนี้ก็ลองดูสิ ถ้ามีคู่แล้วต้องกระทบกันถ้าเป็นเอกไม่กระทบเป็นเอกถ้าหาคู่มาใส่มันก็ต้องกระทบว่าอย่าให้มันมีคู่ไอ้มหาชนกท่านเศรออกบวชถ้าเป็นกษัตริย์เศรฐออกบวชทำ คือทำเป็นคู่นะั้นแหละท่านออกบวชเพราะทำเป็นคู่นะั่นแหละคือมีคู่ผัวเมียอยู่ท่านเนี่ยเคยออกบวชไปหาฤกษ์บำเพ็ญพจน์กมจันทรอาตมเยี่ยสีวิ่งตามเสด็จออกบวชไปเห็นเขาทอหูมันฟัดกิ้จแงจงิ้งแงอยู่นั่นเนฟังดูกเถอะ ทำเป็นคู่ไม่งั้นน่ยท่านสอนให้พระก็ไม่ได้สีท่านรู้จักให้ดูจักทำคู่กาไลมือมันใส่ข้างเดียวแล้วใส่สองอันมันก็ค้อยอย่างจริงแจ้งแ จ, งจงางอย่า ง, างนั่นแหละทําให้คู่ให้ดูออกมันอยู่งนั้นแหะทาเป็นคู่มันต้องฟัด ก, กันอย่างนั้นจังก็ท่านก็เข้ามาให้สี เช็นเดียวกันรอดเแยกทาง น, นั่นก็นเป็นธรรมเหมือนกันกําไรมือก็เป็นธรรมเอาท้องหูก็เป็นธรรมไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ยากกว่าขอกับแทกเรานั้นไม่รู้เรื่องของธรรมไปมองดูอะไร น, นอเป็นธรรมโน่นก็เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมเอาตำหลับตำรามาว่ากันไป อ่านตั้งไปเรื่องพระอาห่าโพรดต้องเจตอธรรมเชิการมักแต่อะไรต่างโน่นไปอยู่โน่นหน่ทำไม่ได้อยู่ในที่นี้แหละ <c oughs> สัทธาพระความเชื่อมันว่าอันนี้แหละเป็นของจริงคือธรรมะในที่นี้เป็นของจริง แล้วเห็นชัดเห็นแจ้งลงไปวิริยาพระราตระผ้าเปลียนมั่นลงมั่นคงท้าวรทำความเปลี่ยนไปภาวนามั่นคงทาวรพระราทางฮาครบบริ บ, บูรณ์หมดในที่เดียวอันเดียวนันะ่นแหละเห็นชัดแจ้งลงในที่ไนในที่เดียวเลย ความเชื่อเป็นของสำคัญถ้าในเชื่อเสียอย่างเดียวหมดเรื่องความต้องใสหลั่งไหลามาอีกความมตตาต้องใส่ความวุ่นวายส่งสายมากเข้าไปอีกความเชื่อว่าอันนี้เราเป็นธรรมแน่วแน่ลงตัจจะวิริยะอยู่ในที่นั้นหมด ร บ, วบความที่ไม่เห็นนั่นแหละคนมที่ม่เห็นทำเจึงค่อยหลงมัวเมาขัวนั้นขวนัวนี้ตัวของเราเป็นตัวทมอยู่ทั้งตัวเป็นธรรมมัดทางตัวอย่างแล้วสวจอย่างสรวจกันอยู่ทุกวันทุกวนัน ยิ่งมาจะมิงกายเยเจสาลรมานะคะตำาทานเาาตั้งแต่ผมขนเนบฟระหนังไม่เห็นเป็นต้นเป็นธรรมทั้งหมดไม่จะไปหาในอีกถ้าไม่เชื่อธรรมในนี้มันก็ไม่เห็นน่ะสิแป่หลงมเมาใจโน่ตามตำหรับตำรานัจนจนึงจึงกลาเป็นธรรม พิจนาเห็นตัวของเรานี้เป็นธาตุสี่นันธรรมธาตุเนี่ยเป็นขันธ์ห้าเป็นขันธ์หานั่นก็ธรรมแล้วเป็นอายจันะนั่นก็เป็นธรรมแล้วองค์เทศว่าทาตสี่กนาอายจนะนั่นเป็นธรรมนั่งสัจจะเห็นจริงตามของข้อเป็นจริงตามความเป็นจริงของมันอันนั้นน่าเป็นธาตุสี่จริงจังแน่นอนจริเช่นผมมย่านีเป็นต้น ผมที่เราเห็นว่าเป็นเส้นเป็นเส้นนั่นแนหะทำไมยังต้องมันเป็นธรรมแล้วทั้งผมนั่นนะ่ะมาเกิดในตัวของเราเกิดขึ้นมาแล้วกอกขึ้นมายาวมาแล้วก็ตัดทิ้งงไปตันนั่งก็เป็นของไม่เที่ยง งอกขึ้นมาอีกตัดลงไปอีกก็เป็นของไม่เคียง ม, มันงอกอยู่มาแล้วสักทีมันงอกจากดินเหมือนกระยาที่มันเป็นวัชพืชที่มันเป็นของไอ้เป็นหญ้าที่เป็นลกขึ้นมาเนี่ยมันทับผมละวัชพืช แต่อั น, นี่มันงอกขึ้นมาในดินคือคือบนชีสตายาวขึ้อมันก็ปกคลุมทีสตามันลกลุ่หลังยังค่อยด่ายทิ้งมันตัทิ้งทีหนึ่งแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เ้าได่ผมเช่นเดียวนะมันตัดทิ้งแล้ไปไหนแล้วการนี้ ถ้าตกไปเป็นดินผมเช่นเดียวนั่นแ่ะมันมีทางน้ํามันมีทางไฟมันมีทางลมผมจะ น, นั้นถ้าหากว่ามันมีน้ํามีไฟมีลมจะแล้วมันก็ไม่งอกขึ้นมาคมอบอุ่นคือไฟมันยังค่อยงอกขึ้นมาถ้ามัไม่มีความอุ่นมันก็ไม่งอกมันกรุรดร่วงไป น้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ลมมันก็อยู่กับน้ำไออยู่กับไฟเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะเนีมันหล่อเลี้ยงกันอยู่ซึ่งกันและกันมันไะคเคยงอกขึ้นมาได้จริงนะกองมดถ้าขาดอันใดหนึ่งแล้วมันไม่เจริญมอกน้ำขึ้นมามันต้องพร้อมทั้งกี่อย่างอันหนึ่ง อันนี้แต่ผมเช่นเดียวผมมันหลายเส้นค่ะนี่ที่นาเณาเถิคนก็หลายเส้นทัานังเง็นกัน เ, อเยอะที่เราจะพิจารณาให้มันเห็นเป็นธรรมใจไม่เป็นธรรมเดี๋ยวนี้มันยังก็ไม่เห็นธรรมถ้าใจเป็นธรรมแล้วคือมันเป็น มันแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วไม่ได้ค่อยเห็นเป็นธรรมไม่ค่อยพิจารณาธรรมได้คันใจไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นโลกไปซะทีเป็นโลกคือเป็นยังไงแต่งทบแต่งช่วยงานคิ้วพันด้วยประการต่างๆแต่งเล็บแต่ง ันแต่งเนื้อแปลงหนังผิวผ่าน ต, ต่างๆรอบรอบรุนลงไปทำมันงอกขึ้นมาใหม่แปลงด้วยของอบทองยอด ต, ต่างๆนั่นแหะเรื่องเป็นโลกอันนี้เรื่องเป็นธรรมมันเราเห็นของจริงไม่ต้องแต่งให้เห็นตามเป็นจริงยิ่งเรียกว่าเป็นธรรมนี่แหละธรรมะไม่ใช่อื่นไร เราพิจนารณาให้เป็นธรรมมอยู่ไหนก็เป็นธรรมเนีย่ยไปหาเรือไปหาอื่นไปการที่ไหนก็ไม่เห็นหรอกถ้าหากเราพิจนารณาเป็นธรมรมพิจารณาเป็นธรรมเมื่อไงได้อยู่ไหนก็เป็นธรรมคลองสกปรกเลอะเทอะเหลวไดทั่วแไปหม ด, มหมดกลายเป็นธรรมหมดของดิบของดีก็กลายเป็นธรรม ของเงียบที่ว่าของหยาบเราไม่พิาจออารณาเฉยๆพิจารณาได้เกิดเป็นของละเอียดกลายเป็นทาง ม, มดยิ่งว่าทำอยู่ทั่วฝ่มดทุกผมขนทุกจันหยาใบไม้ทุกสถานที่ทุกแห่งบนหง พิจารงาเป็นธรรมอยู่เสมอเสมอด้วยความมีสติรักษาใจตัวนั้นให้พิจารณาอยู่เฉพาะอันเดียวนั่นแหะเป็นสมาธินั่นแหะจะเป็นธรรมจิตเตินจิตหลงมัวเมาลุ่มหลงโดยประการต่างๆอันนั้นเป็นโรคใช่ ผู้ที่สำเร็จมรรคผลนิพพานผู้ที่ได้ฌานสมาธิสมบัติท่านก็เอาธรรมูนีแหละมาพิจารณาจึงค่อยได้มรรคผลนิพพานท่านเอาไหนลองมาพิจารณาเอาของนี้อยู่ถึงนะคนที่เป็นโลกที่เป็นโลกโลกเปลือกเปลือกตื้นตื้นขึ้นหลงโ ม, มเมา ก็เมาเมาเหล่านี้เองไม่เมาที่อื่นหรอกหลงไปกับรูปอย่างที่อธิบายให้ฟังมาแล้วเห็นรูปไม่สดสวยงดงามกว่าแตง่งทำใม้สวยงดงามเสียงของพระแต่ดัดแตง่งเอาจนพระเอาสปจนเพราะเพียงเดียะ ก, กาลต่างๆปีนไม่หอมก็เอาตบแต่งให้ เอาน้ำอบน้ำหอมเอาดอกไม้อะไรต่างม า, ากั่นมนแต่งให้มันหอมขึ้นมาเอามาทาเอามาปาบคอันตัวเหม็นๆนั่นนหละแ้่ก็เอาของผอมามาปาประคบเขาจึงเรียกวาน้ำอบคือมันอบอบไปต่างหากอบของเหม็นนั่นต่างหาก <c oughs> รสที่มันไม่ดีไม่ไม่ไมอ้อะรแอ่ อ, อร่อยก็เอาเครื่องมาปรุงมาแต่งมันเด็เร็ด อ, อร่อยมันถูกอบถูกใจชอบใจ <_ S 1> โหดทพาธมารมก็เช่นเดียวกันนั่นเรียกว่าโลกแต่งแล้วพิจารณาข่วงข <_ S 1> วงงงไปแล้วแต่งแล้วเราก็หลงตามมันที่แต่งนั้นแหะ ไม่ได้ลงที่อื่นหรอหลงแา่นั้นน่ะโมเมาแค่นั้นน่ะท่าเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ต้องแต่งมัเห็นแต่ภาพของจริงแต่แต่งมาทําไมมันถ้าเป็นทำไมชาติทำามอย่างนั้นแต่งก็เท่านั้นมันก็ไมมาทําให้ เขาวิเศษวิโ อ, อะไรมีนอกจากสมว่ะเนี่ยแต่อย่างใจของเรานั่นมันเห็นชัดเห็นจริงอะไปเห็นแจ้งวิจาต้องไปสภาพตามจริงใจของเราเบิกบานใจของเราค่องใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาดอันนั้นตางหากที่ท่านประสงค์ที่เรียกว่าธรรมะ การแจงน่ะเศร้าหมองไม่ฟองใสจิตใจหกโคดรหู เ, เพราะเขายกโทษนินทาเราเขาว่าไม่ดีก็เลยโกรธเข า, าเขาชมก็ยังชั่วหน่อยดีองดีใจอาศัยคนอื่นมาอาศัยตนเองม่ขึ้นตนเอง เ้าเห็นผ่องเทาเราเห็นในใจเรงตนบริสุทธ์หมดจดใครจะว่างใครก็ว่าเลยสิในกายของเราเป็นอย่างนี้ใครจะว่าดีมันก็อยู่นั่นใครจะว่าไม่ดีก็อยู่นั่นใครจะว่าเลวว่าร้ายมันก็เท่าเก่านั่นมันก็อยู่สบายความประสงค์ของพระพุทเจ้าทางเทศนาประ ส, สงคตรงนั้นหรอกถ้าจะชประสงค์อะไร คือให้มันสบายไม่หวันไหวใครจะโยกนกนกคนเินพาใครจะกระตุเชื่อได้โอกาสต่างๆเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ลหลงไหลตามคนพูดคนว่าตรงนั้นต่างหากความสุขอยู่ตรงนั้นคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาความสุขไม่ได้เออถ้าหาไม่ได้นความสุขเกิดมาจากไหน มันไม่สุกไม่ไม่สุกนิดเดียวอย่างตบแต่งกายอย่างนี้นะต้องเสียเงินเจีทองเสียค่าตบแต่งเื้อเึื้อตบแต่งหลายอย่างหลายประการแต่แ้กมันก็ไม่มีความสุขสุกนิดเดียวพราเขาพูดเท่านั้นเนะขาพูดก็ชมเชยเท่นั้นก็อยากให้คนชมเชยกนะันเรื่องมันไม่มีอะไร ถ้าเขาชมเธอก็ชอบใจเขาไม่ชมก็น้อยใจเท่านั้นอ่ะอันทำมามากมายทั้หนนะงหลายเลยเสียเงินจะทองมากมายเลยยุบความพอใจยุบความดีใจอย่างเดียวเท่านั้นความพอใจอเดียวอันนี้ไม่ต้องตกใจก็เห็นสภาพตามเป็นจริงในสังขารหน้าการข้างตนเห็นตามเป็นจริงให้ว่าได้ก็อยู่นะให้ว่าไม่ดีก่อน ยินดีพอใจอิม่มเอิบกลมกลมดีของเราที่เราเห็นใครว่าดีไม่ดีก็อยู่อย่างนั้นมัคนคงสุขสบายนั่นก็ถูกเรื่องของพระพุทธเจ้าเทศน์สอนนะแล้วก็ถูกตามควารผสมของคนทั้งโลกด้วยใครๆก็ต้องการความทุกอย่างนั้นเหมือนกันคงสุขตรงนี้ที่ปฏิบัติธนะรรมน่ะปฏิบัติมาม า, มากมายก็ไปผสมตรงนี้ต่างหากเอาละ่ะ อิจิต hmm. ังปิติตังตุหังยิปะเมวาตะเมชตูสะเพปุเรนตุสังกภาจันโทกนาระโตยะธาณีโชติรักโยยะธาสสีติโยอัจฉรสัพโรโคินะตุตุมาเทปวะตุนตารายุที่ที่ภาโยวะอะภีวาธนะชีลิสานิจังุท่าปจายินโนชะตาโรธรรมาวันติอายุวันโงสุขัง นั่งสมาธิคือรวมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่าให้ใจเป็นสมาธิใจมันอันเดียวจริงล่ะแต่เบื้องต้นกับใจอันเดียวนั่นแหละแต่มันขยายออกไปคั่วขวงออกไปมันคิดนึกสงสัยมันปรุงมันแต่งมันมากมายท่นนี้จะรวมให้เป็นอันเดียว นึกเอาพุโทโธพุทโธหรือนึกอารมณ์หายใจเข้าออกให้เป็นเครื่องอยู่ให้เอานั้นเป็นเครื่องอยู่พุทโธหายใจเข้าใจออกพุทโธอย่นั้นน่ะเอานั้นเป็นเครื่องวัดถ้าจิตออกจากนั้นก็ให้รู้จักจิตมันอยู่ในนั้นก็ให้รู้จักรักษาในอย่างนี้ แน่วแน่อยู่อย่างนี้มันเป็นสมาธิไปในตัวคนเราหาแด่สมาธิอยากจะให้สมาธิแน่ว แ, แน่เป็นนั้นหนึ่งอันเดียวเราทำไม่รู้จักว่าเป็นสมาธิแล้วมันก็ธรรมดาสมาธิมาหลายอย่างหลายคัน้น เรียกว่าคานิกะมันรวมไปข้างเป็นขาวแล้วออกไปท่านเรียกว่าคานิกะอุปจาระอรวมเข้ามานานๆหน่อยนั่นเรียกว่าคานิจาวไปจาระแล้วอยากให้เป็นอัปนาล่าไปมันก็ไม่เป็นนั่นสิแต่อุปจาระสมมติก็อัปนาก็ยังไม่อุปจาระคานิจาวไปจารกะก็ยังไม่ได้อยากจะให้เป็นอัปนาหายเงียบไปเลย มันก็ไม่เป็นอะีรเราหัดตรงนี้แหละคิกานี่แหละคนุปจาระนี่แหละอันที่ว่านี้แหละกำหนดพุโทโธพุธโทโธมันรวมเข้ามาแล้วก็หายแรกออกไปน้อยนิดก็ดึงเข้ามาอีกจนกระทั่งเอามันเชื่องชนิดเข้าไปอัน อ, อุปปนาโ น, นเป็นเองเหรอไม่มีใครแต่งมาเราขอแต่ให้หัดอบร ม, มันเบื้องต้นนี่แหละ อุปจาระกับัปนาไออุปจาระสมาธิขณิกาอุปจาระนี่แหละเชื่อมันลงไปเถิดว่าอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกต้องตามํานองของธรรมแล้วฮัดอันนี้ให้ได้จะยืนจะเดินนั่งนอนก็ตัในเมื่อเราอยู่ในอิริยาบถใดๆ ได้ทุกรียาบทเป็นดีมากหากไม่ได้ก็เอาไปเวลานั่งก็ะดัเอาไปนั่งซะก่อนเอานอนเนี่ยก็ได้แต่ว่านอนมันหลับง่ายท่านจิตดวนมันหลับง่ายท่านจิตไม่อยู่กับที่แล้วมันหลับเร็วนม่ได้นอนหรอกเราหัดนั่งวันหนึ่งวันหนึ่งให้อย่างน้อยก็ให้ได้จัก 1ิบนาทียี่สิบนาทีนางเขาตั้งสามสิบสี่สิบนาทีต้องเป็นชั่วโมงก็ได้อันนี้หละเราฮัดสมาธิให้ได้ตรงนี้แหละเราฮัดอย่างนี้ให้เป็นนิจใจสืบต่อไปหากว่าเรายัง่มาทันจินครบชินชาติ เราก็ใกล้ไปแล้วได้มาแล้วเราก็ใกล้ไปแล้วใกล้จะถึงกดิพานแล้วจึงจะให้มันถึงเร็วๆนั่นมันปาดหนาเร็วๆนั่นอย่าไปพึงปาดหนาก่อนด้วยปุ๊บปั๊บก็อยากจะได้ทีเดียวมันถึงว่าก่อนนีพานกันไม่ถึงก็เลยเออชักสงสัยแล้วครับไหนจะไม่ถูกกันมั้ง อันพนิพพานเน่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วอย่างได้แต่พรนิพพานหัดไปหัดไปค่อยไปอย่างนี้แหละมันถูกทางแล้วนี่เป็นท่านิการุปจารานี้มันถูกทางแล้วทางท่านดาเนินตามเป็นมากแล้วนี่ไม่ต้องสงสัยนิพพานนัน้นไม่ใช่ใครไปรู้ไปเห็นเองมันไม่ใช่ใครบอกกันได้หรอกไปรู้เองเห็นเอง หากมันจะรู้เองเห็นเองขึ้นมามันก็โดยที่มันมีตนเองก็ไม่เด็ดแรงให้จะให้มันเป็นมันต้องรู้ขึ้นมาเองเชื่อตอนเองอ๋ออย่างนี้ดอกของจริงคือวันิพานธ์อเอนั่นเองฮัดกุปปายาร่า น, นี่แ่ะท่านิกสาวปจจารานให้ได้กั่ก่อน